แต่ละวันเราจะทําเรื่องอะไรบ้างควาจริงเช้าวันนี้พระท่านจะสวดสติปัฏฐานสหมดได้ว่าลยกายานุปัสสนาซึ่งระว่าวเป็นเมื่อวานวันนี้จะเป็นเรื่องของเวทนานุปัสสนาซึ่งแต่ละวันจะสวดสติปัฏฐานสี่ไม่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นแต่คนจะเป็นช่วงเช้าเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกันแล้วนาเอาสติปัฏฐานสี่ที่เป็นตัวบทมาตั้ง แล้วก็นำเข้าสู่หลักการของหลวพทอเทียนโดยจะมาจะได้นำเอาประสบการณ์และสิ่งที่ได้เคยศึกษาปฏิบัติมาเนี่ยมาเป็นตัวขยายเพื่อให้การศึกษาของเราเป็นเป็นขบวนการทั้งปริยัตปฏิบัติสอดคล้องกันไปซึ่งได้ปรารบเมื่อวานแล้วว่าการที่เราปฏิบัติ ไปแล้วไม่ได้ผลที่ถูกต้องหรือผลออกมาผิดพ ล, ลาดพลาดก็ดีหรือไม่ได้ผลเลยก็ดีตรวจสอบไม่ได้ว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราเก้าวไปถึงไหนและอะไรได้บ้างเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าในช่วงปฏิบัติเราไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องก็ทําไปมั่วๆพ้นไปวันๆอันนั้นเป็นความเสื่อมของคําสอนของพระสธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีการชี้นำที่ถูกต้องลผลออกมาไม่ชัดเจนคนก็เสื่อมศรัทธาในการที่จะปฏิบัติสายงานก็ลอยหรอไปซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นนะตอนนั้นเองตั้งแต่มาจัดการเรื่องนี้มาก็เห็นผลชัดขึ้นภายในสองสามปีนีนะ้สำหรับผู้ปฏิบัติแต่ละงาน แต่ละคอร์สผ่านไปก็มีการวัดผลมีความตื่นตัวมีความสุขมีความสงบมีความกระตือรือร้ น, นมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจชีวิตได้จากก่อนที่มาหลังจากที่ฝึกการปฏิบัติแล้วนี่ก็มีการตรวจสอบได้ระดับหนึ่งเนาะงานนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานตอนที่แบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยมาก็ได้นําเอากลุ่มใหม่มา หนุ่มเอาไมากล้องให้หลวงพ่อตัวเล็กได้แบ่งกลุ่มกันกลุ่มเก่ากลุ่มกลางและกลุ่มใหม่ครั้งนี้เพื่อที่จะให้ขบวนการการฝึกปฏิบัติเอาใส่นั้นโดยโดยเปิดตัวนั้นโดยเปิดไปเครื่องรับเพื่อขบวนการการกปฏิบัติจะได้ได้รับความรู้ตามระดับของตัวเองอทั้งกลุ่ม กลางกลุ่มใหม่แต่จะเน้นกลุ่มใหม่เพราะว่าอย่างไรกลุ่มที่เป็นเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ก็อย่างน้อยก็ได้ได้ฟังอาจจะมามาหลายๆครั้งแล้วกดขึ้นนุบกดขึ้นเปิดเครื่องแล้วกดขึ้นข้างโอเคอยังยังกล่องวันนี้ยกวันนี้เราเพจะกด ยังไม่ทํางานประมานี้เพราะนั้นเองก็ในเรื่องของการบันทึก Sing, uh. อ, อ๋ s <S อ, อนิ่งแล้ว <Yep. S 1> นิ่งนิ่งมันไกลไป <S <S เรื่องของการบันทึกจดจําของเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมีผลต่อการปฏิบัติตรงที่ว่าเราเรานําไปทํา ถ้าทำแล้วเนี่ยจดจําอะไรไม่ได้ทําไปตามความเคยชินของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเดีย๋ยวเมื่อวานรวมกลุูใหม่มาได้ประฐมนิเทศหลักการเบื้องต้นก็พูดถึงเรื่องว่าเราทั้งหลายเนี่ยเราตั้งต้นไม่ถูกของการปฏิบัติตหลังจากที่พระอาจารย์สาธิตแล้วบอกแล้วเราก็ไปทําซึ่งเราไม่มี ที่ที่จะกําหนดรู้ชัดๆว่าจะเอาจุดไหนนะคอสร้างจังหวะเดินจูงกลมจากความรู้สึกตัวแล้วก็จับไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจุดหลักๆมันว่าขณะที่เราเดินจูงกลมพอดีสร้างจังหวะเนี่ยคนที่จะเอาจะจิตหรือสติไปตั้งไว้ที่ตรงไหนก่อนเนะมื่อตั้ง สติหรือตั้งจิตไว้ที่จุดนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดมีอุอปสรรคปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยเราควรจะแก้ไขอย่างไรนะที่เราได้เน้นย้ำเพราะแน่นอนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์หรือวัตถุทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว มันก็จะมะีขนออกมาตามกฎของมันก็คือเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ต้องแปรปรวนเมื่อแปรปรวนแล้วมันก็จะดับไปสลายไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่เราหมุนวนอย่างนี้เป็นวัตจักรของเรียกว่าไตรไ ล, ลักษณ์อันนี้จังส ม, มุติรนั่งเนี่ยถ้าสมมติเรานั่งสักพักนึงตอนนั่งใหม่ๆก็รู้สึกสบาย สักพักหนุ่มก็เริ่มแปลปรวนเป็นความหนักความเหนื่อยความง่วงสลุมสะลือมันแปลปรวนแล้วและของการแปลปรวนนี color, so ana, world, so ้เขาเรียกว่าทุกขังเพราะฉะนั้นการนั่งหลับนั่งง่วงหรือการแช่อยู่ในอาการไม่ได้หมายถึงความปกติความผิดปกติเขาเรียกว่ามันแปลปรวนเรียทุกขังที่จะทำเงี้ให้มันเกิดปกติขึ้นมาก็ต้องใช้หลักของสติสัมยาเข้าไปปลุกไปกระตุ้นไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอาการไม่แช่ไม่หลับ โดยการลืมตากว้างๆหายใจลึกๆปรับท่านั่งให้ดีแล้วก็ปรับเอาทุกขเวทนาออกนี่เขาเรียกใช้สติสัมผัสยะด้วยความรู้สึกตัวแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการชี้แนะกันก่อนเวลากฎของอนิจจังมันทำงานคือสบายสักพักสักพักก็แปรปรวนแปรปรวนเก็บตรงนั้นปวดตรงนี้เมื่อยตรงนี้ขัดตรยกตรงนั้นง่วงซึมแช่เนี่ยมาเริ่มแปรปรวนแล้วอันนี้เป็นกดของอนิจจัง แต่ถ้าเราไม่มีการฝึกสติสำยัเข้าไปแก้ไขกูดคนนี้จังทุกขังปแปรปวนแล้วก็เสื่อมไปดับไปความสบายมันดับไปละความไม่สบายก็เข้ามาแทนที่เป็นกูดของอนัตตาอพ อ, อเราทนไม่ได้เราก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันแต่เปลี่ยนด้วยลักษณะของสัญชาตญาณไม่สบายข้างนี้ฉันก็เปลี่ยนไปด้านนี้ไม่สบายด้านนี้ก็เปลี่ยนด้านนี้ ลักษณะของการเปลี่ยนแบบสัญชิตยานคานแปลปวนตรงนั้นจึงไม่เป็นผลของกรรมฐานหรือการภาวนานะเพราะนั้นตรงนี้เองที่พระองค์ท่านตรัสรู้ท่านเห็นออรูปกับนามกายกับใจทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎของตรักแ์ถ้ากฎตรักษ์นี่มันหมุนมาตั้งแต่ต้นต้นตั้งแต่โลกนี้ตั้งต้นน่ะที่มีวัตถุ อพอมีมันมีวัตถุแล้วมันก็ทํางานของมันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งนับการเวลาไม่ได้เมื่อปรากฏมีรูปแล้วเนี่ยตัวนิจังทุขังตาต้องทํางานเมื่อทํางานแล้วมันก็มีผลไปตามนั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เราว่าเมื่อวานหมุนอยู่อย่างนั้นเขาเรียกวัฏตะวัฏตะวัฏ ต, ตจักรของสิ่งที่เป็นรูปหรือเป็นวัตถุมันจะต้องทํางานอยู่องั้นตลอด กับตลอดกันตาบใดที่มันยังมีรูปอยู่มันก็จะทำงานในรูปลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าชีวิตมนุษย์เราเกิดมาไม่ถึงร้อปีเนี่ยเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปเราจะต้องตกมาหมุนตามวัฏจักรของวัตถุโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปแล้วก็เหมือนวัตถุทั่วไปต้นไม้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปกลับมาเป็นปุ๋ยเป็นดินก็แตกงอกออกรากมาเป็นต้นไม้ใหม่ก็หมุนเวียนอยู่างนี้ยไม่รู้กี่ แสนกี่ล้านปีก็จะหมุนอยู่แต่เราเป็นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต่างกว่าสัตว์อื่นตรงที่ว่ามันมีจิตวิญญาณมีระบบสมองอระบบประสาทอะไรมืนต่างกว่าที่พัฒนามาเป็นละล้านปีเนี่ยกว่าจะได้รัวโครงร่างโครงสร้างนี้มาเนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการการสิ่งมีชีวิตต่อกันมาหลายหลายร้อยหลายล้านปีก็มาเป็นเราที่เป็นสัตว์ที่มี ความสมบูรณ์โครงสร้างที่สมบูรณ์ที่สุดกว่าสัตว์ทั้งหลายมีประสาทและรูปมีการตอบสนองมีการจัดการอะไรต่างๆแต่เราก็เป็นทุกข์เพราะการแปลป่วนเรานั่งแล้วก็แปลสักพักมันก็แปลป่วนเป็นไม่สบายเมื่อพุทธิย่แต่และพระองค์มาตรัสรู้ท่านก็มาเห็นกฎของการเปลี่ยนแปลงท่านเป็นมนุษย์ที่ฉลาดเป็นคนแรกที่เลว่าออกมาจากไข่นั่นแหละนะ ถ้าเกิดมีการกิดการแปรปรวนเนี่ยถ้าหากว่าเราตอบสนองด้วยความไม่รู้หรืออวิชชาเนี่ยกฎของการแปรปรวนอันนี้ก็มีผลต่อจิตคือจิตจะต้องสั่งสมการแปรปรวนออกมาเป็นความชอบหรือไม่ชอบเวลาเรานั่งไปไม่สบายถ้าเขาขาดสติ ก, กําหนดรู้ความไม่สบายเราก็จะรู้สึกไม่ชอบหงุดหงิดําคาญอึดอัดมันมีผลต่อจิตแล้ว ความรู้สึกเป็นทุกขเวทนาไม่ชอบอึดอัดเบือ่อเซิงจิตแล้วก็จะแปรปรวนอะตอนแรกมันเป็นการแปรปรวนของรูปก่อนเป็นรูปของกายก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนไมีการศึกษาเราก็จะเปลี่ยนเอาความแปรปรวนของรูปไปด้วยอำนาจสัญชตาตญาณความไม่ความไม่สบายกายมันอาจจะหายไปในขณะที่เราพลิกเปลี่ยนแต่ความรู้ถึงขบวนการของการหายไป ของทุกและการเกิดขึ้นใหม่ของความไม่สบายเราจะไม่เห็นขบวนการตรงนั้นเลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพอมีการฝึกฝนสติสัมปชัญญะตามที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ท่านตรัสรู้แล้วท่านจะมาสอนเหมือนกันหมดความรู้ที่ตรัสรู้แต่พระเจ้าแต่ละองค์ความความคำสั่งสอนท่านจะเหมือนกันหมดมันเป็นสูตรตายตัวอย่างเนี้ยในในแต่ละพระองค์ เมื่อแต่ละองค์เกิดขึ้นมาแล้วร่วงการผ่านเวลาไปหลายร้อยหลายพันปีก็จะมีองค์ใหม่มามาตแตสรู้ใหม่แล้วก็มาตั้งต้นบอกใหม่อันนี้คือข้อดีของมนุษย์ในสัมพสัตว์อื่นน่ยมันไม่มีสัตว์ที่แตสรู้ได้เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยมีบุคคลที่ตแตสรู้ได้แล้วมาบอกบอกแล้วว่าให้ให้ให้สามารถออกจากวัฏจักรอันนี้ได้ออกจากวัฏจักรของการทํางานของอ น, นิจังทุกขังนัตตาทั้งกายและใจได้เนี่ย แต่กฎของไตรลักษณ์อันนี้ถ้ามันอยู่ในลักษณะของรูปหรือของกายเนี่ยเรียกว่ากฎไตรลักษณ์แต่พระพุทธทเจ้าได้ค้นพบว่าถ้าเรามีการจัดการกับการแปรปลุนของไตรลักษณ์ของร่างกายได้ถูกต้องอ่ะมันจะเปลี่ยนไปอีกกฎหนึ่งเรียกว่าไตรสีขาไตรสีขาเกิดเป็นศีลสมผัสปัญญาขึ้นมาแต่ว่าตัวกลางมันคือตัวสติที่ได้กล่าวมาเมื่อวาน ตัวกลางมันคือตัวสติที่เราจะต้องสั่งสมตัวรู้ตัวนี้ให้มากคือเปลี่ยนการขาดสติที่มีชื่อเรียกว่าอาวิชาเนี่ยให้เป็นวิชาขึ้นมาคือการมีสติเรียก ว, ว่าเอาสติมาเป็นฐานและสติจึงเป็นธรรมหมดใหญ่ที่ครอบคุมธรรมทั้งหมดที่จะคุมกลไกธรรมทั้งหมดให้ทํางานคือสติท่านจึงเอาสติมาเป็นฐานเราก็ต้องมาเจริญสติแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันมีหลาย รูปแบบหลายวิธีการที่เราได้ศึกษากันมาและรูปแบบวิธีการต่างๆทีื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจริตนิสัยและกําลังอินทรีย์ของแต่ละคนแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยลงมาศึกษาเรื่องเรื่องสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเราคิดว่าวิธีการเนี่ยมันจะเหมาะกับกําลังอินทรีย์และจริตนิสัยของเราเราก็มาทดลองแต่บางคนทดลองแล้วอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเราเคยติดของเก่าแต่คนใหม่ที่ ที่ยังไม่เคยผ่านระบบการปฏิบัติสมถะวิปัสนาในวิธีการต่างๆมาเลยก็ศึกษาด้วยความลังเลและความไม่แน่ใจเยแต่พระอาจารย์หรือทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยก็ชี้แนะว่าเออมันมีผลอย่างนี้มีอานิสงส์นี้ทำํำนี้มันถูกทำนี้มันผิดทํำนี้มันทําให้เกิดผลอย่างนี้ทําถูกให้เกิดผลอย่างนี้ทําผิดทําให้เกิดผลอย่างนี้แล้วก็ลงมือทําตาม พอเลื่อมมือทําตามบางคนก็เห็นผลอย่างที่ท่านว่าบางคนก็ไม่เห็นนะขึ้นอยู่ว่าเราพิสูจน์ได้ถูกหรือผิดทีนี้เมื่อโอกอดไตรลักษณ์ได้ถูกสติสัมปชัญญะในไตในตรสิขานี่จะไม่มีคําว่าสติสมัมปชัญญะเพราะสัสมปชัญญะมันเป็นตัวงานตัวคลุมทั้งหมดแต่มันจะออกมาเป็นศีลสัสมผัิปัญญากดท้องไตรสิขาศีสลสิขาจิตสิขาปัญญาสิขา แต่ตัวสติสมิยะหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติทําหน้าที่ชี้จุดที่เกิดว่าเออตรงนี้ฉันหนักตรงนี้นะตรงนี้ฉันง่วงนะตรงนี้ฉันไม่สบายนี่มันชี้จุดแล้วสัมผัสญาก็ตาเข้าไปเข้าไปรู้ขยายเหมือนที่มากราบเ ม, ามาื่อวานะเหมือนเราโยนหินที่โยนไม้ลงน้ําตำมันเป็นจุดตรงนั้นตรงกลาง แล้วมันก็ขยายและสมีวงขึ้นมาเป็นออกไปเรื่อยๆเป็นคลื่นโดยลักษณะขยายของการกระทบของสติที่ตามรู้ออกมาเป็นตัวรู้กว้างออกไปนั้นเขาเรียกเป็นสัมปชัญญะส่วนสัมปชัญญะนั้นจะขยายวงกว้างได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าการกําหนดรู้เนี่ยชัดหรือไม่ชัดเราจะใช้คําว่าแรงหรือไม่แรงชัดคือหมายความมั น, ม, นมันตามรู้เข้าไปอย่างชัดชัดแรงแรงถ้าไม่ชัดหมายความมันตามรู้อย่างผิวเผิน วงจรของรัศมีของอาการกระทบมันก็จะแคบแล้เบาอ่อนแต่ถ้าเรากําหนดลงไปชัดแรงวงจรของการรับรู้รัศมีก็กว้างเราเรียกว่าสัมปชัชชะยะรู้ตัวทั่วพร้อมคือมันรู้ขยายไปทั่วตัวความรู้ตัวของเราเนี่ยถ้าเรามีสติสัมปัชัญญะเข้าไปตามรู้จุดต่างๆที่มีการกระทบแต่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีการกระทบทุกจุดแหละแต่เรากําหนดเอาจุดที่มันชัดเช่นตอนนี้ตาเราก็เห็นหูเราก็ได้ยินร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเราก็มีแต่ในบรรดาจุดร้อยพันจุดเหล่านี้ตรงไหน่มันชัดกว่าเพื่อนเราก็ไปตามรู้ตรงนั้นให้ชัดๆบางคนอาจจะชัดตรงที่ว่าปวดหลังบางคนชัดตรงที่ปวดไหล่บางคนอาจจะชัดที่ว่าหนักตโภก บางคนอญญาจจะชัดตรงว่สลืมสลือบางคนอญญาจจะชัดที่มันฟุ้งซ่านบางคนอญญาจจะชัดที่ว่าใจลอยแล้วแต่ว่ามันเหตุการณ์ตรงนั้นมันจะชัดจุดไหนแต่เบื้องต้นท่านอาจารย์ญญกับรรมฐานทั้งหลายท่านให้มารู้จักความชัดของรูปก่อนเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่ง่ายนะให้ให้เรียนไปตามลําดับถ้าสมมุติว่าเราจะไปดูอาการของจิตตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติมาก่อนเนี่ยนะ มันเสี่ยงต่อการสับสนและหลงลืมเพราะภาวะที่เป็นนามหรือใจเนี่ยมันละเอียดอ่อนถ้ามีการเข้าไปตามรู้ตรงนั้นเลยเนี่ยเราก็จะหลงได้ง่ายเพราะว่าเรายังไม่เคยเข้าไปตรงนั้นบ่อยๆแต่พอผู้ใหม่หรือผู้เกา่าผู้กลางเกาง่ากลางใหม่ก็ดีที่ยังไม่มีประสบการณ์ทั้งนี้มาก่อนให้มาเริ่มต้นที่รูปหรือว่ารูปนามเพราะในรูปนี้มันมีนามคือความรู้สึกอยู่ด้วย ให้มาเริ่มต้นรู้ตรงนั้นเพราะนั้นตัวรูปนามขันหอายตนะสบสองจึงเป็นวิปัสนาภูมิเบื้องต้นที่เราจะต้องเรียนรู้นะตรงนี้พยายามตั้งใจนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องที่ละเอียดเมื่อให้มาตามรู้รูปนามแน่นอนว่าในรูปนามนี้มันก็จะมีอาการแปรปรวนหลายๆรูปแบบแปรปรวนใน อ่าีบทสี่ยืนเดินนั่งนอนแ ป, ปลป่วนในอีดีบทย่อยเคลื่อนไหวในการาพับตาอาปากเคลื่อนไหวแ ป, ปลป่วนในระดับเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงพวกเนี้ยมันมีลักษณะแ ป, ปลปวนถึงสามสี่ 3, ระดับแต่เราจะเอาอาการที่มันแ ป, ปลปวนที่ชัดๆัดทางกายไว้ก่อนเรื่องกายยานุปสนาสติปทานบางคนก็ชัดทางลมหายใจบางคนก็ชัดทาง แต่พวกมันหนักบางคนชัดมีโรคภัยประจําตัวอาจจะปวดหลังมากกว่าจุดอื่นเราก็เอาสติเนี่ยไปตามรู้ตรงนั้นเพราะมันชัดพอตามรู้ตรงนั้นแล้วถ้าหากว่าเรามีเพียงสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นแล้วนี่มันก็จะมีปัญหาปัญหาอะไร ความรู้สึกแปลปวนและไม่สบายตรงนั้นมันจะไปบีบคั้นจิตอีกทีหนึ่งเช่นเรานั่งไปเราปวดหลังเนี่ยเราเอาจิตของเราไปจ่อไว้ที่ที่หลังที่มันปวดนรู้สึกไอการปวดตรงนั้นมันเข้มขึ้นเรื่อยเรมันเข้มขึ้นเรื่อยๆมันมันมันเหมือนกับใส่เพิ่มความเข้มให้มันตรงนั้นเรียกว่าเป็นความอยากเป็นความเพ่งเป็นอุปาทานไปสําคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นเราเราก็ไปเพ่งให้ทุกมันหายมันก็จะเพิ่ม มากขึ้นจิตแล้วก็จะปั่นปวนแต่พอเราได้ศึกษาเรื่องของสติสัมมาสติที่ถูกต้องว่าให้รู้ว่าอาการไม่สบายหรือที่มันชัดตรงนั้นน่ะเป็นเพียงศักตว่าอาการไม่ใช่เราอันนี้คือมันยากตรงนี้เองสาหรับผู้ใหม่อาการเหล่านี้สามารถปรับได้เปลี่ยนได้แล้วก็มีสัมปชัญญะเข้าไปตามรู้แล้วกระจายด้วยกันความรู้ตัวแทนที่มันจะจะไปจดจ่อจดตรง ตรงที่มันชัดเราก็พยายามขยับให้มารู้ในส่วนอื่นด้วยมีการปรับขยับให้มารู้ในส่วนอื่นเบื้อคืออย่าไปชัดตรงนั้นเกินไปการรับรู้ขยายไปสู่ในส่วนอื่นด้วยนี่เขาเรียกว่าสัมปชัญญะเพราะนั่นสติที่ตามด้วยสัมปชัญญะมันก็จะกลายเป็นองค์ของปัญญาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสัมมาสติ ความจริงตัวสัมมาสัมสัมมาส ม, มาธิกับตัวสมัมปชัญญะเนี่ยเป็นถ้าจะว่าไปก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ตัวสติที่ไม่มีสัมมาสติหรือขาดสัมปชัญญะมันก็จะเป็นมิจฉาสมาธิคือไปเพ่งไปจ้องไปกดไปบดไปบีบจิตของเราทําให้เราเพ่งได้เราก็สามารถนั่งได้นานเหมือนกันตรงนี้ถ้าเริมมันจะกลายเป็นสมถะกลายเป็นพลังขึ้นมา ตัวปลปวนของอตัวปลปวนของทุกตัวนั้นที่มีมิจฉาสติหรือมิจฉาสมาธิเข้าไปจัดการมันก็จะออกมาเป็นตัวสมถะอีกแบบหนึ่งกลายเป็นพลังความทุกข์สามารถกลายเป็นพลังก็เรียกว่าตะบะคือเพ่งเพ่งให้เกิดพลังต่างๆแต่เป้าหมายของพุทธศาสนานั้นท่านต้องการให้เกิดปัญญาในการศึกษา เรว่าปัญญาสิขาท่านจึงต้องการตัวที่มันแปลปรวนกลับมาเป็นปกตินั้นหมายความว่าเราเข้าไปจัดการสองระดับตรงนี้จะสอบสวนกันไปมานะระดับที่หนึ่งจัดการด้วยสัญชตาตญาณเช่นไม่สบายเราพลิกเปลี่ยนไปมันเกิดความสบายถ้าเกิดความสบายถือว่าปกติและแต่มันไปไม่สบายไปเรื่อยๆจว่าผิดปกติ ไอ้ตัวปกติตรงนี้เองที่ว่าเป็นสีและสีขาคือปรับให้มันปกติก่อนสินที่ที่เป็นปรามัดเรียกว่าปกตินะฮะอั น, นั้นพอมันหนักพอเราเปลี่ยนไปปรับอย่างรู้ตัวความรู้สึกที่มันแปรปวนหนักหน่วงไม่สบายไม่กี่กลับไปปกติคือมันสบายปกติละลักษณะ น, นี้มันเป็นสีและสีขาคือศึกษาดูาเราต้องปรับออกนะเพราะมีสติเข้าไปเตือนว่าตรงนี้ไม่สบาย ตามกฎของการแปรปวนคือทุกขงังอา น, นิจจังต้องเปลี่ยนเป็นทุกขงังแล้วเราเข้าไปตามรู้ถึงความไม่สบายนั้นปรับให้มันปกติตรงนี้เป็นตัวสัมปชัญญะและตัวส ม, มาส ม, มาธิขึ้นมาโดยองค์ธรรมของมันนี่ที่ว่าตัวอ น, นิจจังเปลี่ยนเป็นศีลน่ะคือมันเปลี่ยนอย่างนี้คือปรับให้ปกติหรือเราจุดชัดมันอยู่ที่ง่วง แต่ถ้าหากเราไม่รู้ว่าเราง่วงตรงนั้นมันก็เป็นการแปรปลวนเป็นทุกขังละบางคนนอนไม่หลับเมื่อคืนใช่ไหมง่วงเวลานั่งฟังมันยาวเมื่อกี้นั่งสวดไม่เอาวจิตมันนิ่งพอจิตมันนิ่งแล้วพอมา น, นั่งฟังมันก็ง่วงต่ออ่าอันนี้เราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติญายังไม่เข้มแข็งใช่ไหมไอการปรับตัวเองให้มันตื่นกลับมาปกติมันไม่มีตัวนั้นเราก็ง่วงไปเรื่อยๆลักษณะง่วงนี่ก็เรียกผิดปกติคือแปรปลวนเห็นทุกใช่ไหม แต่พอเราตั้งสติขึ้นมาตั้งสมาธิขึ้นมาปรับออกหายใจลึกๆตั้งตัวตรงๆพลิกหน้าพลิกหลังให้ตื่นตัวร่างกายกลับปกติอีกครั้งหนึ่งความง่วงหายไปความตื่นตัวเกิดขึ้นปกติเป็นและสีและสีขาวไหมเป็นด้วยอํานาจของสติเข้าไปจัดการปรับเปลี่ยนเอาตัวความแปรปรวนความทุ่งนี้ออกไปกลับมาปกติครัง้งสีสีขาเกิดขึ้น อันนี้คือคือหลักที่เราจะเปลี่ยนแปลงจากไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิขามันจะต้องมีตัวสติสัญญาเข้าไปเป็นตัวปรับนั้นนั้นคือมีการให้มีการทําเยอะๆไงเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้เท่าทันต่อสิ่งที่แปลปลวนให้ไวขึ้นรู้เท่าทันทุกแบบให้ไวขึ้นแล้วเข้าไปปรับให้มันหายไม่ใช่หายทุกแนละ้วกลับปรับให้มันเป็นปกติศีลไปแล้วปกติถ้าเป็นปรมาธิแต่หากว่า เป็นสมมติศีนไปว่าข้อห้ามข้อเว้นข้อควรทาไปทางนู้นอันนั้นเป็นสมมุติแต่ในแง่ของปรมาลัยศีนไปว่าปกติเมื่อกายผิดปกติทําให้ผิดปกติทําให้มันปกติมันง่วงผิดปกติทำมันมันหายง่วงมันปวดผิดปกติทำมันหายปวดมันเบื่อผิดปกติทําให้หายเบื่อมันคิดผิดปกติทําให้มันหายคิดอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลับมาสู่อันนี้จังเป็นแทนที่จะแปลปรนเป็นทุกขังใช่ไหมก็เป็นศีลแล้ว เพราะมีะตัวสติสัญญาเข้าไปไปจัดการตามทันนะทีนี้ตัวทุกขังแทนที่จะกลายเป็น อ, อันนี้จังแทนที่จะเปลี่ยนเป็นทุกขงังกลับมาเป็นสีและสีขาเพราะว่าการทํางานของสติสัญญาการปรับสติสัญญาให้ทํางานได้เนี่ยด้วยอํานาจของอะไรอํานาจของจิตที่เรียกว่าจิตแต่สีขาดังนั้นตัวกลางเนี่ย ตัวจิตสิขาจึงเกิดการทํางานตั้งแต่แรกนะนี่คือเป็นตัวตรงนี้ฟังให้ดีนะถ้าไม่ดีจะสับสนเพราะมันประสมผสานกันระหว่างสภาวะกับตัวสมมุติคือในตัวสภาวะก็จะสื่อให้เห็นอาการต่างๆในร่างกายว่ามันแปลปรนเปลี่ยนแปลงนล้วมันดับไปอย่างไรและตัวสมมุติมันจะใช้คําศัพท์ทางคัมภีเข้ามาแทรกเพื่อให้เห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่เราเรามั่วเอเองนะแต่มันมีหลักยืนยันอยู่ ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราปฏิเสธความแปรปวนของร่างกายได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะต้องไปไปตามกฎของอนิจจังกฎของอนิจจังของร่างกายในะขณะ น, นี้ก็คือถึงแม้ว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปล ง, ปลงภายในร่างกายอย่างชัดเจนแล้วไม่ได้ทํางานหนักแร้วไม่ได้ไปนอนให้เกิดความทุกขเวทนาแต่ในการทํางานของเวทนาในตัวเรามีอยู่เย็นร้อนอ่อนแข็งแท่งตึงเจ็บปวดเพราะอะไร เพราะว่าการทํางานของนิจังคือเลือดในร่างกายของมันต้องทํางานไหลตลอดเวลาลมของเราที่จะส่งเลือดให้มันทางานก็ทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงการทํางานของเลือดของลมออกมาเป็นชิปเ ร, ร์จอเป็นหัวใจเต้นเนี่ยเราจะนิ่งขนาดไหนมันก็ยังทางานของมั น, นนิจังตัวนั้นเมื่อมันทํางานแล้วมก็ต้องเกิดการแปรปลวนเมื่อเกิดการแปรปลวนแล้วเราก็ทุนอยู่ไม่ได้ ทนอยู่ไม่ได้ควบคุมไปเป็นค ว, ความต้องการไม่ได้ก็เป็นนันัตตาก็สับสนอหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทีนี้พอเราได้ฝึกฝนเรื่องสติสัมปชัญญะเราก็รู้กฎอันนี้ชัดเจนว่าเออมันจะต้องเป็นไปตามกฎอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์วิปัสนาคือแต่รักเบื้องต้นแต่รักที่เราเข้าใจและทําได้ตัววิปัสนามันก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนอณิจัง แทนที่จะเป็นทุกขังท่านไปเป็นสีและสีขาเพราะมีสติปัญญาเป็นตัวนําแต่ตัวแปรปลวนตรงนั้นแทนที่จะเป็นทุกขังกลับมาเป็นตัวสมาธิเพราะมีความตั้งใจที่จะดูมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงมีการตั้งใจตั้งสมาธิในการที่จกาหนดรู้ตรงนั้นแต่งตัวเนื่องเป็นตัวเรียกว่าอำนาจของสัมปชัญญะทั้งที่กล่าวแล้ว เมื่อเกิดสัมปชัญญะหรือสมาสธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัวปัญญาแทนที่มันจะเป็นอนัตตามันกลายเป็นธรรมมาหรือปัญญาอันนี้จังไม่ได้เป็นทุกขงังละอันนี้จังกลายเป็นสีเลขสขาทุกขังกลายเป็นตัวสมาสมาธิปัญญาเปลี่ยนเป็นตัวอนัตตาเปลี่ยนเป็นตัวปัญญาสีสันทีปัญญาก็ปรากฏแทนอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวแปรทันไหม ทันนะสำหรับคนมีพื้นแล้วก็จะทันจะชัดแต่คนยังไม่มีพื้นเลยฟังฟังผ่านไปก่อน ก, กน็แล้วกันแล้ววันหลังได้ไประสการณ์มากขึ้นมันจะเข้าใจนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องเข้าไปรู้โครงสร้างว่าอานิจังทุกขังอนาตาเนี่ยมันเกิดมาจากไหนภูผาบมันขึ้นมาเลยหรือยอย่างไงการทํางานของอนิจังมันเกิดมาจากไหนนี่ตัวนี้ต้องสืบพ้นขึ้นไปอีกอนิจังทุกขังอนาตา มันต้องมีที่ไปที่มาแล้วจู่ๆมันจะเกิดขึ้นเป็นตัวของมันเลยเนี่ยมันผิดกฎของธรรมชาติมันต้องมีที่ไปที่มาซึ่งเมื่อวานเนี่ยเอามาพูดกับกลุ่มใหม่เอามาเริ่มต้นนะัตรงนี้ว่าที่ไปที่มาของกฎไตายรักเนี่ยมันเกิดอยู่กฎของสองอย่างคือมีการเกิดและมีการดับจําได้อยู่นะกฎของการเกิดดับมันมาจากกฎของจักรวาล <c oughs> กฎของการเกิด มันเป็นกลางวันและกลางคืนสมมุตินะถ้าจะสมมุติการเกิดและการดับเพราะนั้นการเกิดเนี่ยคนจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอ่าอันนี้ขอสอบใหม่แล้วนะคิดกันง่ายๆดูเพราะว่ากฎของจักรวาลมีสองกฎคือการเกิดและการดับการเกิดดับมันก่อให้เกิดวันเกิดวันคืนเดือนปีอ่า วันเดินปีขึ้นมาเนี่ยถ้าจะถามว่าการเกิดและการดับถ้าสมมุติเทียบกับการกลางวันและกลางคืนเกิดคนจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนดับคนจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนกลางวันคนจะเป็นกลางคืนคนจะเป็น พอเราหลับใช่ไหมแล้วก็ดับไฟด้วยอันนี้เกิดธรรมชาติที่เป็นรูปรธรรมมันมันสอดคล้องกันนะมันมันเป็นฮัลโหลแล้วก็ตัดสินได้ง่ายว่ากลางคืนน่าจะเป็นการดับแล้วก็ดับไฟกลางวันน่าจะเป็นการอ่าการเกิดพระอาทิตย์มันขึ้นในแสงสว่างมันเกิด น, นะแต่ใ น, นเมื่อมันดับหมายความเราจะอยู่ในความมืดตลอดทําอะไรเลยไม่ได้เลยใช่ไหมได้เรายังมีไฟอีกดวงหนึ่งที่เราผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้ใช่ไหมนี่คือ มันเป็นข้อเป็นนัยยะเป็นลาหัสที่เลยไขยไปสู่ว่าตัวเกิดและตัวดับเป็นกฎของธรรมชาติก่อให้เกิดกลางวันกลางคืนก่อให้เกิดการสบายไม่สบายก่อให้เกิดการแปรปรวนของทุก ส, สิ่งทุกอย่างนะลักษณะนั้นคือการเกิดและการดับจืงเป็นของคู่สำหรับโลกนะ แล้วก็อันนี้จังทุกขังนาตาเข้ามาขยายตัวเกิดตัวดับให้จากสองมาเป็นสามนะในการเกิดและการดับเนี่ยมันมีระหว่างกลางใช่ไหมก่อนเกิดแล้วมันจะไปสู่ดับอย่างสมมติว่ากลางวันเนี่ยพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมันห้าความว่ามันจะตกเลยนะมันจะต้องผ่านอีกเท่าไหร่สิบสองชั่วโมงใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าตั้งอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่พอมเมฆตกเย็นมันก็ก็ดับไปมันดับไปในส่วนนี้เท่านั้นนะแต่มันไปเกิดที่อื่นอีก มันอาจจะมืดที่เมืองไทยแต่มันไปสว่างที่อเมริกาเนี่ยจึงหมายความว่าพระอาทิตย์ดวงนั้นไม่ได้ดับแต่ว่ามันเปลี่ยนจุดไปเท่านั้นเองเนีเพราะฉะนั้นในภาคปฏิบัติอันนี้ก็คล้ายเป็นทฤษฎีไกลๆนะในภาคปฏิบัติคนจะเป็นอย่างไรในภาคปฏิบัติว่าเมื่อเรานั่งเนี่ยมันก็มีสองเกิดสองดับคือการเดบเกิดดับทางรูปและการเกิดดับทางนามใช่ไหม การเกิดดับทางรูปก็แปลปรวนทางรูปเร้วรียกกดของต่รักในการเกิดดับทางน้ำตรงเนี้สำคัญเมื่อวานได้ถามไปแล้วว่าการเกิดควรจะเป็นรูปหรือเป็นน้ำการดับคนรจะเป็นรูปหรือเป็นน้ำเราตอบไปเรียบร้อยการเกิดเป็นรูปใช่ไหมการดับเป็นน้ำนะทีนี้ในขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะกลางวันเกิดขึ้นตั้งอยู่แลก็ดับไป กลางคืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าในรายละเอียดของมันเพิ่มขึ้นคือว่าในช่วงที่การเกิดเต่มันมีการดับอยู่ด้วยเช่นในฤดูการเกิดขึ้นเช่นพระอาทิตย์เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันจะสว่างตลอดเวลา24ชั่วโมงเออ12ชั่วโมงใช่ไหมบางวันก็เป็นไงสลัวบางวันก็เกิดลาหูขึ้นมามืดสนิท บางวันสลัวมากบางวันสลัวน้อยบางครั้งบางวันมืดมากบางวันนั่นนั่นคือการในการเกิดนั้นมีตั้งอยู่ดับไปอยู่ในตัวและในกลางคืนที่เราว่ากลางคืนที่นี่มันก็ไปเกิดอยู่ที่อื่นอีกนะเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้คือความซับซ้อนเกิดขึ้นในขบวนการของธรรมชาติอันนี้แล้วมันจึงมาเป็นเรื่องซับซ้อนของจิต ด, ด้วยอ่านั้นเวลาเรานั่ง เ, เราความไม่สบายเกิดขึ้น ถ้าในขณะที่มันตั้งอยู่เขาเรียกว่าแปรปรวนใช่ไหมเปลี่ยนแปลงลักษณะที่มันตั้งอยู่มันแปลปรวนเปลี่ยนแปลงถ้าเราได้ฝึกสติสมิยะมาอย่างดีและถูกต้องเราจะเปลี่ยนจากการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์คือการตั้งอยู่เนี่ยเป็นการแทนที่จะเป็นตั้งอยู่ของทุกข์แต่ให้มันเป็นการตั้งอยู่ของความไม่ทุกข์แต่เราไม่อาจจะเรียกว่าเป็นสุขนะเพราะสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนละอย่างเป็นอย่างเดียวกันเช่นว่าน้ําขดเนี่ย ไอ้ส่วนที่เปิดกินไม่ได้เนี่ยเราว่าก้นมันใช่ไหมไอ้ส่วนที่เปิดกินได้เนี่ยเราว่าฝามันเพราะฉะนั้นมันเปิดกินไม่ได้สมมุติว่ามันเป็นอะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมไอ้จริงนี่มันเปิดกินได้สมมุติว่าเป็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นสุขทุกข์เนี่ยมันขวดคนละใบกันไหมใบเดียวกันแต่ว่ามันเป็นหัวเป็นท้ายเท่านั้นเราเปิดตรงนี้ไม่ได้ก็มาเปิดตรงนี้เท่านั้นเองเมื่อเราไม่สบายเราก็มาเปลี่ยนมาเป็นความสบาย ในความสบายหรือความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันก็อันเดียวกันแต่มันคนละขั้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องออกจากตรงนี้ไปเลยออกจากขวดใบนี้มาเป็นอะไรสุูบนมาเป็นแก้วเนี่ยนะเป็นแก้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานี้จากสุขวิ่งหาทุกพ้นทุกไหมไม่พ้นเพราะเดี๋ยวสุขมันก็แปรปรวนไหมเพราะนั้นสุขคนจะเป็นการเกิดหรือการดับทุกคนจะเป็นการเกิดหรือการดับ ทันไหมความทุกข์เนี่ยถ้าเข้าไปเปรียบเข้าไปเป็นอาการของเกิดดับแล้วมันควรจะเป็นการเกิดหรือการดับความทุกข์อะ่ะทันไหมทุกคนจะเป็นการเกิดแล้วก็สุขคนจะเป็นการเกิดหรือการดับนี่เราหลงประเด็นตรงนี้เองสุขไม่ใช่การดับสุขก็ยังเป็นการเกิดเพราะมันเป็นขบวนการเดียวกับ ท, กทุกอยู่ อ่าเราจะบอกเอาตรงนี้เป็นเกิดตรงนี้เป็นดับไม่ใช่ละตรงนี้ก็เป็นเกิดตรงนี้เป็นเกิดแต่มันเกิดคนละอย่างอ่าเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกอีกอย่างนี้ว่าการไม่ทุกข์แต่การไม่ทุกขนะ์เนี่ยมันก็บป็นใหมายถึงสุขเพราะแก้วเนี่ยมันก็เป็นใหมายถึงขวด <c oughs> เออทันไหม <c oughs> อันนี้ก็คก็ให้เป็นตักกะไกลๆนะ เอแต่ว่าพวกเราเข้าใจได้นะมันเป็นรูปธรรมอยู่ใช่มหมพระอนาก็จะพูดในเรื่องนามธรรมแต่ว่าถ้าไม่มีรูปธรรมเป็นตัวสื่อแล้วเนี่ยมันจะสับสนนะเพราะฉะนั้นสุกกระทุกเป็นเรื่องเดียวกันแต่มาอยู่คนละขั้วเท่านั้นเองไอการที่เราเป็นทุกข์แล้ววิ่งหาสุขในจบไหมไม่จบก็ทุกข์ไปเรื่อยๆจากนรกไปสวรรค์จากสวรรค์มานรกจากนรกก็วนเวียนอยู่ในเรียกว่าวัฏฏสงสารเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเนี่ยเห็นตรงนี้เอาคุณจะไปเสาะหาสุขหาทุกข์อยู่ทําไมมันก็ไม่พ้นอ่ะ คุณต้องมาแสวงหาตัวนี้สิคือความไม่ทุกข์ก็ถึงเจอไงเจอทางออกจากโลกใบเนี้ยการที่มาอยู่อีกอันหนึ่งท่านเรียกว่าโลกุตระโลกุตระคือออกจากตัวนี้เสียถ้ายังอยู่ในตัวนี้อยู่ทุกข์ก็เป็นโลคียะวิ่งมาหาสุขก็เป็นโลกียะเหมือนเดิมใช่ไหมโลคียะสุขโลกียะทุกข์แต่พอออกจากทั้งสองส่วนเนี่ยมาเป็นส่วนนี้เสีย สมมติว่ามันเป็นโลกุตระสุโลกุตระธรรมแต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นรูปธรรมนามธรรมยังเป็นโลโลกีธ ร, รรมอยู่ทั้งสองข้างโลกีโลโลกรธรรมอ่ะเข้าใจไหมโลกรธรรมมีเท่าไหร่มีแปดใช่ไหมคือสองคู่นั่นเอง8ก็คือฝ่ายสุขคู่กับทุกข์ฝ่ายสริเส ร, ริญคู่กับนินทาฝ่ายมีลาบคู่กับเสื่อมลาบฝ่ายมียศคู่กับ เสียมยศทั้งแปดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโลกกระทำแต่ย่อแล้วมันมีแค่เท่าไหร่แค่สองใช่ไหมก็สูกก่กับทุกข์อ่าสู่กับทุกข์แต่มันก็ยังวนอยู่ในเรื่องเดียวกันคือทุกข์อะใช่ไหมการคนอื่นสรรเสริญเรามีสุขหรือมีทุกข์แล้วก็บอกว่ามีสุขใช่ไหมการที่คนอื่นแล้วการที่เราได้ลาบได้ยศเรามีสุขหรือมีทุกข์เราก็บอกว่ามีสุข การที่เรามีความสบายแล้วก็มีสุขแต่ความสิ่งไอาการเสื่อมราบเสื่อมยศมีความทุกข์มีคนอื่นนินทานเนี่ยมันก็คื อ, อการแปรปรวนมาอีกทางหนึ่งจากขั้ตรงข้ามนะแปรปรวนกันไปกันมาดังนั้นเองในแง่ของการฝึกฝนในพุทธธรรมท่านจึงไม่เอาสุขเอาทุกข์เป็นตัวผลสุดท้ายแต่ท่านเอาตัวไม่สุขไม่ทุกข์เป็นตัวสุดท้าย เราเอามาสมมุติก็ว่าเหนือสุขเหนือทุกพ้นสุขพ้นทุกแต่มันก็คือออกมาอีกอันหนึ่งดังนั้นเราที่มาทําเนี่ยเรากําลังออกมาจากอีกโลกหนึ่งนะออกมาจากโลกสุขถ้ามาที่นี่อ้มันทุกหรือมันสุขบนเนี่ยแสดงว่าคุณยังอยู่ในโลกเดิมอยู่แสดงคุณมาที่นี่แต่ไม่ได้ถึงที่นี่ แ, แต่เรากําลังมาแสวงหาทางที่ไม่สุขและไม่ทุกมีไหมมีแต่ว่าเป็นโลกที่เราไม่เคยศึกษาเท่านั้นเองโลกที่เราไม่เคยอยู่ด้วยนะ นั่นั้นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทํากันอย่างถูกต้องและจริงจังเราจะทํากันแบบมั่วๆอย่างผ่านมามันไม่ได้มันเห็นเส้นทางไม่ชัดเดินทางเห็นเส้นทางไม่ชัดคุณก็หลงทางอยู่เรื่อยไปวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเหมือนภายเรือในอ่างดังนั้นเรื่องนี้อามาว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งใจศึกษาที่แล้วมาโอเคตังคุณก็ตังหลงมาพระก็หลงอาจารย์วิปัสสนาก็หลงนะ แต่ถามว่าพวกเราหลงไหมเราก็กำลังจะออกจากความหลงนะเราก็ยังหลงอยู่แต่กําลังจะออกอย่างมันอยู่แล้วจะบอกว่าเราไม่หลงก็ยังไม่ได้เพราะเรากําลังศึกษาอยู่นะที่เรากําลังจะออกจากความหลงเนี่ยเราก็มาตั้งต้นประเด็นที่ว่าชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนี้มันจะจะมีตัวเกิดดับในตัวของมันตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มาขยายอีกนิดเดียวมันมีก่อนที่เกิดไปสู่ดับแล้ว ม, มีการตั้งอยู่เราก็มาขยายเป็นสามคนที่จังทุกครั้งน้าตา พุทธิยถาถึงตรัสว่าในจักรวาลนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นดับไปน อ, อกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนั้นตัวทุกข์จึงเป็นผลเป็นทั้งเหตุและผลเป็นเหตุของการดับและเป็นผลของการเกิดใช่ไหมตัวทุกข์เป็นตัวกลางทุกข์เป็นผลของการเกิดและเป็นเหตุของการดับถ้าทุก มันหมดหรือไม่ทุกเนี่ยการเกิดการดับมีมีทางรูปยังทํางานอยู่ใช่ไหมแต่การเกิดและการดับนทางนามเป็นไงมารวมเป็นอันเดียวกันนิพพานจึงแปลว่าดับนิพพานไม่ได้แปลว่าเกิดนะแปลว่าการดับนะเมื่อมีการดับแล้วการเกิดก็ไม่ปรากฏแต่สมมุติเรียกว่าการดับนะ ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่อยากจะให้มันไกลมันยืดยาวแล้วก็ซับซ้อนแต่มันมันจะต้องเข้าใจลักษณะอย่างเนี้ยแล้วเอาไปทำดังนั้นตลอดเวลาเราก็จะทํากับการเกิดการดับมันจะมีการสมมุติกันหยุดกับการเคลื่อนให้มันเป็นการเกิดดับเนี่ยการหยุดควรจะเป็นการเกิดหรือการดับการเคลื่อนควรจะเป็นการเกิดหรือการดับอ่าใช่ไหมถ้าเรากําหนดรู้การไหวการเคลื่อนเนี่ยเราก็ ปฏิบัติเรื่องการเกิดดับนั่นเองใช่ไหมแต่การเกิดดับที่เป็นสมมติการเกิดดับที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมเข้าใจได้หายใจเข้ากับหายใจออกสมมติถ้าเป็นการเกิดดับตัวไหนคนหายใจเข้าคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับหายใจออกคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับอันนี้มันจะกินไปทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องโลกจะเป็นของคู่ผู้หญิงคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับผู้ชายคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับ เออไปเรื่องนั้นด้วยนะออมันก็จะมีคู่ของมันนี่แหละแต่ฉันไม่ต้องการเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายฉันต้องการเป็นพระ อ, อ้าวนี่ดีมันมันออกจากสองสองอันอเลยพระคือผู้ที่ไม่ทุกข์ใช่ไหมยมผู้หญิงก็เป็นพระได้คือไม่ทุกยมผู้ชายก็เป็นพระได้คือไม่ทุกอ อ, ออกจากาแก้วเข้าขวดส่วนใหญ่ออกจากแก้วเข้าขวดออแต่เราจะออกจากทุกจะออกจากขวดเข้าแก้วเนะ้อันนี้คือ คือเรื่องตลกในตัวของมันเองนะดังนั้นเราน่าจะต้องมาศึกษาของคู่เนี่ยให้ชัดเจนและตัวที่จะมาศึกษาของคู่ให้ชัดเจนมันก็จะมีคู่ที่สองที่เป็นนามธรรมาคืออะไรคู่ของรูปกับนามผู้ที่จะเข้ามาจัด ก, การรู้เรื่องนี้ <c oughs> ก็คู่ของสติและปัญญาคู่ของมันสติแต่ตัวท่ามกลางคือสมาธิและสัมมชัญญะใช่ไหมสติและสัมมชัญญะ เป็นเออสมาธิและสมัญญะเป็นตัวตั้งเป็นตัวกลางเพรา ะ, ะนั้นตัวสัมปชัญญะและตัวสมาธิเป็นได้ทั้งเหตุและผลเป็นเหตุเป็นผลของตัวอะไรตัวสติและเป็นเหตุให้เกิดตัวปัญญาทันไม่ทันไหมเช็คอย่าลืมว่า ตัวผลที่เกิดจากเหตุเป็นปัญญาใช่ไหมเหตุคือตัวสติตัวท่ามกลางคือตัวสัมปชัญญะและตัวสมาธินั้นเวลาเราไปพูดน่ยคุณไม่มีสติปัญญาเลยสัมปชัญญะสมญญาธิญญาหายไปไหนเพราะตัวสมาธิสัมญญเป็นเหตุว่าคุณไม่มีสมาธิและมีสัมปชัญญะคุณจึงไม่มีสติปัญญา ใช่ไหมนั้นพูดที่ถูกแล้วคุณไม่มีสัมปชัญญะเลยคุณไม่มีคุณไม่มีสมาธิเลยเนี่ยมันจะเบากว่าแต่ว่าคุณไม่มีสติปัญญาเลยมันจะหนักมากใช่ไหมคุณไม่มีปัญญาเอาเลยเนี่ยคุณไม่มีสติเอาเลยมันจะค่อนข้างหนักกถ้าบอกคุณไม่มีสัมปชัญญะเน่ยมันจะเบาลงมาเนะี่ยเพราะใ น, นตัวท่ากลางดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาอย่างจริงจังทุกเวลานาทีที่ผ่านไปต้องไม่มั่วต้องไม่เพลินต้องไม่หลง ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาและตรวจสอบอย่างถูกต้องเลยนะคุณง่วงดีแล้วคุณยัดให้ตรวจสอบถ้าคุณไม่ตรวจสอบคุณก็ไม่รู้จะเพราะอะไรมันจึงง่วงง่ว ง, งต้องมีที่มาที่ไปง่วงเป็นการแปรปวนเป็นตัวท่ามกลางใช่ไหมอ่ามันเป็นเหตุมาจากความอะไรความเพลิอ่าผลออกมาผลของความง่วงคืออะไรความทุกข์ใช่ไหม เพราะเป็นทุกก็เพราะเป็นอน้าตามันก็เป็นเหตุของอน้าตานี่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้ชัดเจนแล้วเนะี่ยมันไม่ยากหรอกคุณก็ตามรู้ในส่วนที่มันเป็นเหตุไปเรื่อยๆตามรู้รูปนามตามรู้ความความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นตัวกลางในการที่จะแปลทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ในการจะแปลสุขให้เป็นไม่สุขในการที่จะแปลความหลงให้เป็นความรู้ นี่แปลให้เป็นความฮลุบโกลงให้เป็นตัวศีลสัสมปชัญญะได้คือตัวสมาธิและสัมปชัญญะเพราะฉนั้นภาคปฏิบัติเราจะต้องตั้งใจเพราว่าสมาธิสมาธิไม่แม้หมายความว่าไป น, นั่งหลับตานิ่งๆนะีไม่ใช่เป็นสมาธิแบบนั้นสมาธิแบบนั้นเป็นวิธีการไม่ไดมีถูกมีผิดแต่มันเป็นวิธีการแต่สมาธิที่เป็นปฏิบัติการคือความตั้งใจใช่ไหม เพราะนั้นเราก็ชอบนั่งสมาธินั่งไปนั่มามันก็ง่วงอ่ะใช่ไหมอ่าสำหรับเพราะเราจึงง่วงเพราะว่าขาดอะไรขาดสัมปชัญญะขาดสติและขาดสมาธิขาดความตั้งใจแล้วก็สัมพันธ์ทั้งหลายมันก็จะเป็นมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะทุกอยู่อย่างเงี้ยตลอดเว้นแต่บุคคลนั้นเข้ามาศึกษากลไกตัวนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปละเราจะบอกว่าพ้นทุกข์ดับทุกข์อะไรก็แล้วแต่เหนือทุกข์ มันก็เป็นคําเดียวกันดังนั้นให้มาสนใจความแปรปรวนในตัวของตัวเองมันจะเป็นสัมมาสติและสัมมาสมาธิแต่เรามีความแปรปรวนในร่างกายจิตใจแต่ระเบีดแต่เราไม่เคยสนใจมันเลยแต่จะสนใจแต่เมื่อเราทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนไปการสนใจนี่มาทนไม่ได้แล้วเป็นอะไรเป็นสรรชาติญาณไม่ใช่ปัญญาญาณ แต่ตลอดเวลาเราอยู่กับสัญชาตญาณมาตลอดใช่ไหมสัญชาตญาณมีผลเป็นโมหะวิปัสสนาญาณมีผลเป็นปัญญาแล้วจะอยู่ด้วยปัญญานี่อยู่ด้วยโมหะก็เลือกเอาอ่าไม่มีใครว่าเราได้น ะ, ะแต่ถ้าจะอยู่ด้วยโมหะก็ต้องอ่ไม่ต้องไปรู้อะไรให้มันยากอยู่ไปกินไปถึงเวลาก็ตายไปตายไปแล้วมันมีกิเลสอยู่ก็กลับมาเกิดใหม่ก็ทุกข์ต่อไปเงี้ย เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้าตัดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นะั้นท่านบอกว่านี่คือแสงสว่างของโลกที่จะไปกระทบดวงตาของคนมีจักสุนะเราก็เปิดดวงตาขึ้นรับแสงสว่างแล้วก็เดินทางให้ถูกต้องเท่านั้นเองดังนั้นบุคคลบุคคลแรกที่จะรับรู้เรื่องนี้ได้ท่านใช้คำว่าธรรมผู้ได้ดวงตาเห็นรธรรมหรือธรรมจักสุ บุคคลคนแรกที่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ใครที่เปิดดวงตารับแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าท่านเปิดก่อนท่านพระเลยโกนทันญะนะซึ่งเป็นสาวกกลุ่มแรกและท่านแรกด้วยฟังเทศเรื่องนี้ฟังไปฟังมาท่านอุทานออกมาเลยอุทานเพราะได้ดวงตาตาเปิดว่ายังกินจิสมุทิยะธรรมมังสัพพันตังนนโรทัทธมันติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นแล้วมันก็ ต้องดับไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับเป็นธรรมดาของโรคมันเป็นอย่างเนี้อ่ามีการเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีการดับเป็นธรรมดายัางกิงจีสมุทรยธรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตินะฮะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยนำเสนอแค่นี้เดี๋ยวเนื้อหาแน่นเกินไปเอาไปทําไม่ถูกนะ มึนนะแต่อย่ามึนแต่คนเป็นเนื้อหาที่ชัดเจนแต่น่ชัดเจนในความเข้าใจของผู้พูดนะแต่ผู้ฟังกันไม่มีพื้นเลยอาจจะมึนอย่างที่ว่านนะเดาไปเรียบเรียงดูใหม่จําแค่ว่ารูปกับนามรู้สึกตัวสบายไม่สบายแค่นี้พอสบายก็อย่าไปเพลินไม่สบายก็อย่าไปเบื่อให้รู้มันเท่านั้นเองแล้วแก้ไขออกไปก็ปรับมาตั้งต้นให้ปกติใหม่แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติสัมยะความสบายไม่สบายมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอ่า แต่ในที่นี้รายละเอียดมันจะเยอะเกินไปก็บอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปกติแล้วกันน่ะจากศีลมันก็จะกลายเป็นอะไรราคาเพราะขาดสติสัมปญะความสบายกลายเป็นราคาไปเลยซึ่งรายละเอียดเรื่องนั้นค่อยพูดกันใ น, นวันต่อไปนะก็ขออนุมมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรื่องนี้ไปอย่างตั้งอกตั้งใจถ้ายัางไม่เข้าใจยังทำไม่ได้ก็อย่าไปน้อยใจเสียใจหรือท้อ แต่พยายามไปเรื่อยๆเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ไถ่ถามมีครูบาอาจารย์เป็นที่แก้ไขอยู่ก็ทําไปไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามก็ให้ความตั้งใจและเข้าใจนี้เป็นเพราะปัใจจัยให้เราได้ทำมาจากสุขด้วยการุกคนทุกท่านถือ